อนาปฏิวานพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ972 1. ภพิกุณีไปด้วยสตาหกรณียะ2องพิกุณีถูกรบกวนชิงไป 3. ภพิกุณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกุณีวิกลจริต 5. ภพิกุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ